วิสัญชาติธกับกับท่านลงนานะลงตัดขีนานะโยตอนรู้ใจไใกลทุกข์รู้เนี่ยก็ไม่ได้ว่ารู้แล้วจะต้องมาเป็นอะไรก็ถามเราไปด้วยอาจารย์ถ้ารู้ไปอย่างนี้แล้วมันจะเป็นอะไรไปได้อะไรเป็นปเป็นปเป็นอะไรไปเกิดอะไรไม่มีหรอกมันก็แค่ได้อาศัยเป็นเครื่องแลลึกรู้ในปัจจุบันขณะทุกข์นานปัจจุบันเนี่ยเรื่อยไปจนกว่าจะตาย อาศัยเป็นอาศัยเนี่ยปัจจุบันธรรมเนี่ยคือสิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายสิ่งที่ปรากฏทางใจคือความรู้สึกนึกคิดอารมณ์หรือกิริยาการที่ปรากฏแล้วก็ได้รู้ในปัจจุบันที่ปรากฏแล้วก็รู้ในปัจจุบันอาศัยเป็นเพียงแค่เครื่องระลึกรู้เป็นเพียงเครื่องอาศัยให้ได้ระลึกรู้ไม่เช่เขาจะพูดแบบเป็นเครื่องอาศัยให้ได้ระลึกรู้ไม่ใช่ว่ายิบเอามันเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของของเราเลยอาศัยให้เป็นเพียงแค่เครื่องระลึกรู้เดังนั้นเม่รู้อะไรแล้วไม่เข้าไปเกาะไปจับไปยึด แล้วก็ผ่านไปเองเดี๋ยวก็รูปผ่านแล้วใหม่ก็เห็นใหม่รูปผ่านแล้วใหม่ก็เห็นใหม่เสียงได้ยินอันใหม่ก็ได้ีนใหม่อันเก่าเสียงก็ดับไปเดี๋ยวออาเสียงใหม่เกิดขึ้นก็ดินเสียงอันใหม่เสียงเก่าก็ดับไปอันเนี้ยมันไม่ไต้องไปต้องไปจับไปยึดไปไปล่อยอะไรเขาหรอกเออมันเป็นธรรมชาติกิยุทธการเนี่ยพอมันปรากฏทางใจกิยุทธการมาปรากฏในใจอันใหม่ไอ้ของเก่ามันก็ดับไปเดี๋ยวกิยุทธการอันใหม่มันเกิดขึ้นมาให้เรารู้ของเก่าก็ดับไปไ ม, นไมันก็เลื่อยไปมันก็เปลี่ยนไปอย่างเงี้ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปือ จะไปจับไปปล่อยไปจับไปปล่อยหรอกพุทธเจ้าติดตัด ก, กับพัยยะว่าพยยะถ้าเธอปฏิบัติแบบนี้ยเห็นสักตะวันเห็นได้ยินสักตะวันยินรู้สักตะวันรู้ทางใจเนี่ยเธอจะพ้นทุก บ, บรรพนิพานจะไม่มีตัวไม่รู้สึกว่ามีตัวตนของเธอในปัจจุบันและในในในโลกหน้าไหนในโลกหน้าเพราะว่าไอรู้สักตะวันรู้เนี่ยมันจะไม่ปรากฏ ต, ตัวตนไปยึดอะไรเลยมันจะไม่ทุกข์แล้วพ้นทุกข์ไปเธอจะบรรลุนิพานไม่ใช่ว่า รู้จักแล้วรู้รู้รู้อย่างนี้ไปแล้วที่สุดมันไปเป็นยังไงก็ไอ้แค่รู้นี่เนี่แค่รู้สับตัวรู้ก็แค่อันนี้เลยไปนี่ยเนีอยมันคือนิพพานอ่ะใครจะถามอะไรอ่ะถามของเจ็บตัวเขานะเพาะเจ็บตัวไม่ถามกันไปเรื่องของคนอื่นไปเจ็บตัวไม่ถามก็ไปเรื่องของคนอื่นไปเอายาเข้ามากินอย่างเงี้ยเราไม่ถามเองเราไม่ไม่ปฏิบัติเองให้คนอื่นเขาถามเราฟังของเข้าไปอ่ะอย่างนี้เท่ากับเรา เรามีความป่วยทั้งใจแล้วเราฝากเพื่อนไปหาหมอเอายามาแทนเราด้วยอย่างเงี้ยเรื่องของตัวเองก็ต้องแก้ไขของตัวเองอันนี้ก็ถามเป็นเรื่องของเขาเอาเราต้องปฏิบัติเองกินยาเองปรึกษาหมอเองไม่ใช่ว่าฝากคนอื่นไปไปรึกษาหมออ่ะว่าไงจนตบไง ก, นะกราวอัิษกานขลังตา คือช่วงนี้นะคะก็เวลาที่นั่งสมาธิหรือว่าปัจจุบันเนี้ยคะ่ะก็จะดูคือไม่ไม่ไมอยากใช้คําว่าดูเลยค่ะก็ใช้ความะะรู้สึกอะคะ่ะรู้สึกเอาว่าตอนนี้มีอะไรเกิดขึ้นในจิตคือก็ยังแอบเข้าไปแอบเข้าไปแบบสังเกตเป็นบางครั้งอ่ะคะ่ะก็จะรู้ว่าเราแอบก็ไปสังเกตละนะคะหรือบางทีมันปรุงแต่งขึ้นมาเราก็แค่ตามดูก็เฉยๆอะคะ่ะเห็นว่าการปรุงแต่ง แล้วเมื่อก่อนนี้เราก็จะดิ้นรนนะคะว่าเหมือนกับเราไม่พอใจแต่ปัจจุบันนี้จะเห็นว่ามันจะไปแสดงอาการดิ้นรนหรือไม่พอใจเราก็หยุดดูเขาต่อไปอะะ่ะก็จะเห็นว่าเขาแสดงอาการเหล่านี้เราก็จะเข้าใจว่าออกเขากําลังแสดงความพอใจหรือไม่พอใจออกมาค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่เข้าไปแทรกแซงเขาค่ะแค่รู้เฉยๆคะะ่ะว่าเขาหลังจากที่เขารู้เกลียอาการอะไรเริ่มต้นเพิ่งรู้ปุ๊บ เขาจะมีความพอใจหรือไม่พอใจเกิดขึ้นเลยอะค่ะแล้วก็เขาก็จะไปปรุงแต่งต่ออีกอะค่ะแล้วก็เห็นว่าเขาปรุงแต่งต่อแล้วเขาก็จะแสดงอาการความพอใจกับไม่พอใจออกมาให้เห็นอีกครั้งอะค่ะเจ้าน่าแต่ความรู้ความเห็นขางเขาใจก็ดีอยู่แล้วแต่มันไม่ค่อยเอาจริง มันไม่ค่เอาจริงปรารถนาความสิ้นกิเลสความพ้นทุกข์บรรลุพรนิพพานในปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้มันเอาบ้างไม่เอาบ้างทำทำทำแล้วก็ทิ้งทำทำทำแล้วก็ทิ้งมันก็ลอยไปลอยมาจิตใจมันก็ทิ้งสติลอยไปลอยมาสติมันไม่ต่อเนื่องไม่ขาดสายสติขาดสมาธิขาดปัญญาขาดทำขาดเป็นทุกข์ สติหายสมาธิหายปัญญาหายทำหายเป็นทุกข์สติมีสมาธิมีปัญญามีธรรมมีไม่ทุกข์สติเป็นมหาสติเป็นมหาสมาธิเป็นมหาปัญญาเป็นพระนิพพานพ้นจากทุกข์สติอันเดียวก็ไม่หลก็มแม่ครูอาจารย์ก็กลา่าวกันอย่างนั้นสติอันเดียวสติอันเดียวพระบูตเจ้าพระอาลหลังสาวกทั้งหลายสติสติอันเดียวสติอันเดียว ถทิ้งสติมันทิ้งหมดเลยนะสติขาดสมาธิขาดปัญญาขาดทำขาดเป็นทุกข์สติหายสมาธิหายปัญญาหายทำหายเป็นทุกข์สติมีสมาธิ yeah. มีปัญญามีก็เป็นธรรมพ้นจากทุกข์สติเป็นมหาสติเป็นมหาสมาธิเป็นมหาปัญญาเป็นพระนิพพานพ้นจากทุกข์สติอันเดียวสติอันเดียวก็ไม่ห้าย มีพระถามพระปุ ม, มากผู้เลี้ยโต ว, ว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรามีสมาธิหลวงปู่ ม, มา้านบอกว่าให้ดูที่สติสติสติเราขาดสมาธิก็ขาดถ้าสติมีสมาธิก็มีให้ดูที่สติเราจะดูว่าเรามีสมาธิหรือไม่มีสมาธิดูที่สตินั้นถ้าเราสติขาดก็ขาดหมด ไม่เหลือล้ออะไรจะน้อยก็มีความรู้ความเห็นเข้าใจมาเยอะแล้วฟังธรรมาเยอะจะค่อยปล่อยให้สติขาดแล้วไม่ได้ปาฏถนานิพพานในปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้ไม่มีพบหน้าสําหรับเราชาตินี้ต้องเป็นชาติสุดท้ายมันไม่ได้ปาฏถนานแน่ๆ อ, อย่างนี้มันก็เลยเพลินๆถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างมือนเดิเลยก็ล้อรถไฟหวานเย็นรถไฟบรรทุกสินค้าหรถไฟทุกสินค้าของไทย บินเรื่อยๆไปเรื่อยๆจอดอยู่เรื่อยๆแก่ตามสถ า, า, า, า, า, า, านีต่างๆทึ้งก็ช่างไม่ทึกงก็ช่างทึ้ก็ช่างไม่ทึกก็จ่งมันมปฏิบัติไม่ได้ไปยังไงกันแล้วเห็นปฏิบัติกันอยู่ในอยู่ในขั้นนี้กันหมดมันไม่ได้เอาจริงทามันก็รู้เยอะแล้วแต่มันขาดตรงเอาจริงนี่นนเนี่มันไม่มีใครเอาจริงมันเอาจริงมันย่อได้จริงอ่ะคนสอนก็มีอยู่ทำก็มีอยู่ มันขาดแต่คนจริงคนจริงเอาไหมลนะ่ะหลวงปู่ทาว่าเอาไหมอ่ะเอาไหมลนะ่ะคนจริงทําจริงย่อมรู้จริงเห็นจริงเป็นจริงปรัถนาให้มันสิ้นกิเลสและกองทุกในปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้มันต้องมีชาตินี้เท่านั้นไม่มีชาติหน้าอีกแล้วไม่มีต้องชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย ต้องมั่นคงเด็ดเดี่ยวกาหาญแบบนั้นะละละทิ้งกิเลสให้หมดสิน้นสำรวจตรวจดูกิเลสในใจของตนในทุกขณะปัจจุบันความเพลินใจในนั้นเป็นกิเลสนันทิเพลินใจไปทางตาหูจหมูกลิ้นกายใจเพลินใจไปทิ้งสติไปอยู่กับความเพลินใจไปเพลินใจดูหนังดูละครดูทีวีเพลินใจอ่านหนังสือเพลินใจเล่นเกมเพลินใจเล่นแชทเล่นไลน์ เพินใจช็อปปิ้งเพลินใจไปนู่นไปนี่นันทิคือความเพลินใจแน่ๆเป็นต้นเหตุหรือสาเหตุของตัณหาทั้งมวลและตัณหาเนี่ยเป็นต้นเหตุของความทุกข์ต้นเหตุของการเกิดภพเกิดชาติตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปทานคือความยึดบัานถือมั่นมีตัวมีตนเราก็ไปยึดบั่นถือบ้านสิ่งนั้นสิ่นี้อุปทานเป็นปัจจัยเกิดภพภพเป็นปัจเกิดชาติชาติเป็นปัจจัยเกิดชะลาบรณะ โกรกับปรีเดวาทุกขะโทมนุปายาสะมีความทุกโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจก็เพราะนี่แน่มินันธิคือความเพลิในทุกขณะปัจจุบันทุกขณะปัจจุบันมันก็เลยเป็นต้นเหตุของตัณหาตัณหาก็เป็นต้นเหตุให้เกิดอุปทานมีตัวเราก็้าไปยึดมั่นถือมัานอุปทานก็เลยให้ไปเกิดเป็นเนี่ยเป็นภพเป็นชาติเป็นทุกโศกเศร้าเสียใจครับแก้นใจเวียนว่ายใจเกิดวนอยู่นั่นแนะก็เพราะนันทิเนี่ย นันธิราคะเนี่ยนันธิราคะคือความเพลินใจนี่นันธิราคะสหกตาตัตระตตราพินธินีเสลยญาธิทางกามะตัณหาวิภาวะตภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาเนี่ยไม่ธรรมจักกับพวกเานั้นสูตรนันธิคือความเพลินใจนี่เองเป็นต้นเหตุต้องดับนันธินะถ้าดับนันธิคือความเพลินใจต่างตาหูจมูุจีนกายใจในขณะปัจจุบันทุกขณะปัจจุบันได้ตัณหาทั้งมวลกระดับ ปัญหาดับอุปทานคือความมีตัวเราก็้าไปยึดบ้านถือบ้านสิ่งไรก็ดับพบชาติทุกทั้งมวลก็ดับพร้อมการเวียนว่ายตายเกิดก็จบลงชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายไม่มีชาติหน้าสาหรับเราต้องดับนันทิในทุกขณะปัจจุบันคือความเพลินใจเพลินใจเพลินคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยเลนคิดโน่นคิด น, น, ดนี่อันนี้ไม่มีทางหรอกที่จะบรรลุได้ถ้าปล่อยเว้ น, นันทิเกิดขึ้นเพราะว่านันทิมันเป็นต้นเหตุ สติมันขาดจะเกิดนันทิได้สติไม่ขาดนั น, นทิเกิดไม่ได้สติเนี่ยเป็นตัวควบคุ ม, มให้เกิดนันทิคือความเพลินใจทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเพลินเหมื่อเ พ, เ พ, avier, interior, พเลินคิดเปิดเพลินเจริญใจไปปรุงแต่งไปหาอาดีตอนาคตปรุงแต่งไปหาคนนั้นคนนี้ตัวสติเนี่ยจะเ ป, จยยเป็นตัวยับยั้งได้เป็นถ้าไม่มีสติมันไม่มีตัวใดเป็นตัวยับยัง้งสติเนี่ยเป็นตัวยับยั้งความเพลินใจได้ ปัญญาจะเป็นตัวกำจัดได้หมดสิ้นตัวสติเป็นตัวยับยั้งตัวปัญญาจะเป็นตัวกำจัดความเพลินใจได้หมดสิ้นอันจะพ้นทุกข์ด้วยสติปัญญานี่แหละสติจะเป็นตัวยับยั้งความเพลินใจไม่ให้หลงเพลินใจไปตัวปัญญาเนี่ยเป็นตัวที่จะกำจัดได้หมดสิ้น ต้องอาศัยสติปัญญาในทุกณาปัจจุบันนะตปะนน้ปรารถนากรปรารถนาความสิ้นกิเลสและความทุกสิ้นความทุกสิ้นกิเลสและความทุกบรรลุนิพพานในปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้ชาตินี้ต้องเป็นชาติสุดท้ายชาติหน้าไม่มีสําหรับเราทามั่นอย่างเนี้ยแน่แน่อย่างเนี้ยถึงจะบรรลุนิพพานได้คารวะก็รู้ได้คารวะ ถือศีลหบริสุทธิ์ข้อสามถือพรมอาจารย์ไม่ทำให้น้ำอสุจิเคลื่อนบรรลุพนิพพานได้เมื่อคาลรวะบรรลุบระนิพพานแล้วก็อธิษฐานจิตเอาบ้านเอาขันห้าคือร่างกายจิตใจลูกพินาศสัญญาสังขานวิญญาณเป็นบ้านเป็นเครื่องอาศัยของธาตุรู้เป็นเครื่องอาศัยของจิตตั้งเดิม แ, แท้หรือจิตเดิม แ, แท้ก็อยู่กับขนาาันห้าบวดใจบวดธาตุรู้ ซึ่งเป็นนิพพานธาตุคือจิตหรือเข้าถึง น, นิพพานธาตุเป็นเป็นธาตุที่บริสุทธิ์นั่นคือความบวชบวชก็คือความบริสุทธิ์ความเพลินใจเข้าไปถึงาธาตุรู้อีกต่อไปพอาธาตุรู้ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรมันคิดนึกตึกต่อไม่ได้ปรุงแต่งอะไรได้มันไปจับไปยึดอะไรให้เกิดความเพลินไม่ได้มันเหลือแต่รู้าธาตุรู้มันหลงอะไรไม่ได้มันเหลือแต่รู้รู้รู้รู้รู้รู้ที่ไม่หลงไม่กับอะไรนั่นแหละคือาธาตุรู้ดั้งเดิมหรือจิตเดิมแท้ อธิษฐานบวชใจก็คือบวชบวชดั้งเดิมจิตตั้งเดิมแท้เนี่ยให้ปราศจากความเพลินปราศจากความเหม่อเพลินความเพลินใจไปทางเตาหุจะหมูลิ้นกายใจเพลินคิดเพลินนึกเพลินจับเบาๆว่างๆไปเพลินจับยึดอะไรไว้ไปจับยึดอะไรไว้เป็นความเพลินหมดแม้แต่จับเบาๆว่างๆก็ไปไปเพลินจับยึดไว้ไม่จับอะไรเลยได้แค่ตับตะวะรู้ตอกตะวัรู้แล้วปล่อยผ่านรู้แล้วปล่อยผ่านไม่จับไม่ยึดอะไรนั่นแหละคืออธิษฐานบวชใจแล้วอธิษฐานเอาบ้าน เอาร่างกายขันห้าเอาเวทนาสัญญาทั้งขานวิ ญ, ญญาณเอาจิตใจฝ่า ย, ายปรุงแต่งเนี่ยเอาศัยขันห้าไปเคลือบปรุงแต่งไว้ก่อนจนกว่ า, านธาตุขันจะแตกดับเออาริษัยอธิษฐ า, า, านเอาบ้านเอาร่างกายเอาจิตใจคือเวทนาสัญญาสังขานวิ ญ, ญญาณส่วนที่เป็นปรุงแต่งเนี่ยเอาเป็นบ้านเอาศัยของาธาตุรู้หรือหรือจิตตั้งเดิมแท้หรือใจแท้ไว้สปก่อนมันก็คารวะไปด้วยอาหารแล้วก็จะอยู่ได้นะเราว่า ไม่มีสตำราเขียนแล้วเรารู้สึกเองแต่คาะว่าก็รู้อารหาันต์ได้ถ้าอาธิษฐานแบบระ ว, ว่านะมันปฏิบัติกันเลื่อนช้าก็มันนี้เนี่ยมันไม่ได้ปรารถนาที่จะทิ้งกิเลสในปัจจุบันมันก็เลยไม่สำรวจตัวตาว่ามีกิเลสอะไรใจในตนปัจจุบันในปัจจุบันเราลลทิ้งไปไร้ฐานบวใจคือใจต้องปราจากกิเลสและเครื่องเศ้ามอง ในทุกกระดาษปัจจุบันมาจึงต้องสำรวจดูว่าในใจของตัวเองเนี่ยไปมีกิเลสเครื่องต่อหมองให้เกิดขึ้นในใจตนมีความเพลินใจหลงคิดเพลินไปกาะเกี่ยวอดีตอนาคตในปัจจุบันก็ปล่อยคิดกาะเกี่ยวพัวพันธุ์คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็รู้ตัวฐานรู้ตัวรู้ตัวฐานรู้ตัวรู้ตัวทานรู้ตัวรู้ตัวฐานตลอดเวลากําจัดความคิดปรุงแต่งที่เกาะเกี่ยวพัวพันไปทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตไปหมดสิน มันก็เท่ากับอริษานบวดใจตลอดเวลาแล้วเนี้ยผู้ใจก็ถึงธาตุเลิมแท้ซึ่งปัสจากความกาะเกี่ยวผัวแันปัสจากกลื่นเครื่องสมองนั่นเองก็เป็นพระโดยสมบูรณ์แล้วพระไม่ได้หมายถึงผมพระเหลืองพระหมายถึงใจที่ปัสจากกลเลนเครื่องสมองนั่นที่จะเป็นพระพระไม่ได้หมายถึงว่าพระที่ผมพ้าเหลืองกกนหัวแบบนี้หรอกคาราว่าผู้หญิงผู้ชายเด็กก็เป็นพระได้แต่ใจเนี่ย ก, ก, กําจัดเกลืน่นออกจากใจให้ปัสากาเครื่องสมองไม่ให้มาเป็นเมฆมาบังใจ ใจเนี่ยมันมีอะไรไปคั้ไปค้างมันได้แม้ติเลเก็มันไปค้างในใจได้มันเป็นเพียงแค่มันมาบังใจไว้เฉยเหมือนกับเมฆมาบังพระอาทิตย์พระจันทร์กิเลสและเครื่องตาอมองเนี่ยมันเข้าอยู่ในใจไม่ได้เพราะใจไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรเลยมีแต่รู้มีแต่รู้ทุกอย่างไม่เข้าไปยึดอะไรเลยจับแต่ว่ารู้ไม่เข้าไปยึดอะไรสักอย่างเดียวอยู่กับรู้นั่นแะอย่าไปทิ้งรู้ทุกขณะปัจจุบันทิ้งรู้กว่าทหกทิ้งสตินั่นแหละสติอยู่ที่ไหนความรู้อยู่ที่นั่นความรู้อยู่ไหนสติอยู่่นนั สติกับความรู้มันอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นถ้าเราทิ้งสติไปความรู้ละปล่อยวางในทุกขณะปัจจุบัน thumbs, มันก็จะหายไปด้วยสติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจละที่ใจปล่อยวางที่ใจสติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจละที่ใจปล่อยวางที่ใจสติอยู่ที่ไหนความรู้อยู่ที่นั่นก็เมื่อสติมันตั้งที่ใจความรู้มันก็นรู้ใจของตัวเองอยู่ตลอดเวลา เพราะสติมันตั้งที่ใจสติมันตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจละที่ใจปล่อยวางที่ใจมันเลยรู้ที่ใจละที่ใจปล่อยวางที่ใจตลอดเวลาเพราะสติมันตั้งที่ใจสติอยู่ที่ไหนความรู้อยู่ที่นั่นก็คือธาตุรู้นี่เนี่ยมันต้องอาศัยสติสติอยู่ที่ไหนความรู้อยู่ที่นั่นความรู้ที่ไหนสติอยู่ที่นั่นสติกับความรู้มันอยู่ด้วยกันเองอะนั้นไอ้ท่าความรู้เนี่ยสติมันคือขันห้าสติสมาธิปัญญามันคือขันห้า เป็นตัวปุงแต่งต้องปรุงแต่งให้มารู้ที่ใจเมื่อสติมาอยู่ที่ใจความรู้ซึงเป็นธาตุรู้เนี่ยมันก็เลยรู้ที่ใจรู้อะไรแหะก็รู้ละปล่อยวางทุกขณะปัจจุบันเนี่ยสติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจละที่ใจปล่อยวางที่ใจก็รู้อะไรนะรู้ทำมันลมเนี่ยรู้ทุกคิดทุกอาการปัจจุบันที่มาปรากฏให้ได้รับรู้แล้วปล่อยวางไปทุกคิดทุกกิริยาการทุกสภาวะไม่ว่าจะเลิ่อปานใดไม่ว่าจะสว่างว่าเบาว่างปานใด มันก็เป็นสภาวะทําให้ได้รับรู้ในปัจจุบันขณะแล้วก็ป่อยเราก็รู้รับรู้แล้วปล่อยผ่านไปปล่อยผ่านไปปล่อยผ่านไม่ได้ว่าไปผัก ไ, ไปกับไปกับจับประโยชน์ก็ทิ้งไปเปี่ยนแต่เขาไม่ไม่เข้าไปจับไปยึดเนี่นแน่เรียกว่าปล่อยผ่านไปปล่อยผ่านไปเข้าใจไหมอ่ะต้องสติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจแล้วที่ใจปล่อยวางที่ใจสติอยู่ที่ไหนความรู้อยู่ที่นั่นสติสมาธิปัญญาเนี่ยมันเป็นขันธ์ห้า เราต้องอาศัยขันห้าเขามารู้ที่ใจ by, ดูที่ใจรับที่ใจถ้าเราไม่อาศัยขันห้าเนี่ยสติคือความรู้สึกตัวมารู้ที่ใจดูที่ใจรับใจปล่อยวันที่ใจทุกขณะปัจจุบันเนี่ยมันจะไปไปรู้คนโน้นไปรู้คนนีรนน้รู้เรื่องของคนนั่นรู้เรื่องของคนนี้เรื่องของคนอื่นเนี่ยรู้ทั้งวันทั้งคืนพูดทั้งวันทั้งคืนเรื่องการบ้านการเมืองเร่วงป ร, ประเทศนั้นประเทศนี้เรื่องคนนั่นคนนี้ คนนี้เป็นเมียคนนั้นเป็นผัวคนนั้นคนนี้ไปยุ่งกับคนนั้นคนนั้นเป็นลูกหลานของคนนี้คนนี้มีอะไรกับคนนั้นรู้มันทั้งวันทั้งคืนแต่ไม่รู้อยู่อย่างเดียวคือใจของตนเองนี่มันพลาดมหาหันนะคนทั้งหลายนะ่ะพูดทั้งวันพูดแต่เรื่องคนอื่นทั้งวันแต่ใจของตัวเองไม่ได้รู้ละปล่อยวางทุกขณะปัจจุบันนี่มันพลาดตรงนี้พลาดมหาหันมันเดินทางไปสู่ความทุกข์ไปสู่กระแสของกิเลส ของการเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จบสิน้นเพราะมันเดินทางมาในกระแสโลกมันรู้แต่เรื่องของคนอื่นรู้เรื่องการบ้านการเมืองประเทศนั้นประเทศ น, น, ทศนี้รู้เรื่องนั้นเรื่องนี้ไอเ น, นี้ยมันก็ต้องรู้เป็นปกติแต่จะไปใส่ใจมันในแค่ได้รู้เอาไวาา้ว่าบ้านเมืองมันเป็นอย่างไรแค่นั้นแหละข่าวสารบ้านเมืองเป็นงไงแต่จะไปใส่ใจมันเพราะมันไม่ทําให้เราพ้นทุกข์มันทำให้เราเวียนว่ายตายเกิดแล้วทาให้เราเป็นทุกข์ในต่างหากไอสิ่งที่จะทำให้เราพ้นทุกข์ไม่ครับไม่ไม่ไมรู้สิ สติตั้งที่ใจดูที่ใจลัที่ใจไปลวางที่ใจเรื่องของใจของตนเองไม่รู้อยู่อย่างเดียวอย่างอื่นรู้หมดเนี่ยมาทําตรงข้ามพุทธเจ้าสอนเนีะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็พูดพุทธพุพพทธะหรือพุทธาจจริญธรรมโอเนี่ยแต่เราก็ปฏิบัติตรงกันข้ามไปรู้แต่อย่างอื่นรู้แต่เรื่องของคนอื่นพูดทั้งวันเนี่ยนินทาคนอื่นให้เราฟังบางเราบอกไม่เอานินทาไม่ใช่นินทาเขาอาจารย์จะพูดให้ฟัง ไม่เรื่องของเขาจะไม่มาพูดไม่เป็นไม่ในวคนทุกข์ไม่ใช่จะอยากให้พูดใด้ฟังหน่อยจะพูดใด้ฟังตัดจะพูดให้เราฟังตั้งวันนึงก็แล้วเราไม่ฟังสองวันก็แล้วเราไม่ยอมฟังวันที่สามพูดเลยไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมให้เราจะฟังไม่ฟังพูดอยู่นั่นแหละพูดเป็นเรื่องนินทาเรื่องของคนอื่นนี่มันเอาไปตามกิเลสตัวนั้นนี่ไม่ใช่กิเลสไม่ใช่กิเลสอยากพูดอยู่นั่นแหละตงสองวันสาวันนี้แกจะพูดอยู่นั่นแหละหมดนตัวไม่ได้พูดเลยนี่มันนินทาครัเขาเลย คนนั้นป็นบีคนนี้คนนี้เป็นหัวคนนั้นคนนั้นได้กับคนนี้คนนี้ไม่ได้คนนั้นมันจะเกิดประโยชน์อะไรมันไม่ได้ทําให้คนทุกมีแต่เรื่องสะใจที่ได้พูดมันไม่ได้ทําให้คนทุกเลยมีแต่ความทุกขความทุกแล้วก็น้ําตาไหลเข้าไหลออกแล้วคีแอก็อยู่แน่ๆมันมีแต่เรื่องอย่างเนี้ทั้งวันคุยแต่เรื่องคนอื่นทั้งวันแต่เรื่องของตัวเองไม่รู้เรื่องนี่ เราไม่รู้เขาเรียนกันยังไงบางทีพวกที่มาเรียนพุทธศาสนาถึงด็อกเตอร์เรียนป ร, ริญญาจนถึงที่สุดเรียนอภิธรรมจน ถ, ถึงที่สุดเนี่ยมาคุยกับเราเนี่ยคุยแต่เรื่องความรู้นอกหมดเลยอะรู้เรื่อสารพัดรู้หมดแหละบางทีก็เอาอะไรเอาไม้เอาไม้ไหเอาไม้ไมไมสั้นๆมามาถืออันอาจารย์อันเนี้ยอาจารย์ไม่ยาวหรือสั้นเพราะเราบอกว่าไม้อันเนี้ยมันสั้น เขาก็เอาก้านไปขีดมาเทียบไอ้ไม้อันนี้มันก็เลยยาวเพอะเราบอกไม้อันนี้มันยาวมันยาวมันยาวเขาก็เอาไม้ที่ยาวกว่าเอามาเทียบไม้อันนี้มันเลยสั้นคนมันเล่นอะไรของ ม, มันมาเรียนหนูจนถึงด็อกเตอร์ด็อกเตอร์วศาสตร์นาไม่เห็นมันจะมีประโยชน์อะไรคุยอยู่นั่นแหละบอกว่าจะมาสนทนาธรรมกับเราคุยอยู่สองสามชั่วโมงเราไม่ได้พูดสักคําเดียวพูดจบแล้วก็ถามว่าอาจารย์ผมจะกลับแล้ว อาจารย์มีอะไรจะแนะนำผมบ้างไหมเออเราขอบคุณนะที่ท่านมาพูดเรื่องอะไรให้เราฟังเยอะแยะมากมายเลยเราขอบคุณแต่ก็ดิ้มกันเนะี่ยถ้าเก็รู้เยอะดิ้มกันแต่ถ้าท่านรู้อีกอย่างหนึ่งจะดีมากเลยรู้อะไรจังท่านรู้มาหมดทุกอย่างแล้วทุกอย่างท่านรู้เยอะมากเลยแต่ถ้านไม่รู้อยู่อย่างเดียวไหนอะไรอะไรไม่รู้เรื่องใจของตนเองนะ ถ้าท่านรู้เร so, ื่องใจของตัวในอีกอย่างนึงทุกขณะปัจจุบันว่าใจของตัวเองเนี่ยมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์อย่างไรมีมีอาการอย่างไรมีสภาพไวอย่างไงท่านสามารถมาทำเยมพุทธิพจนให้ผมดูได้ทุกขณะปัจจุบันเอามาทํารายละเอียดมาทุกขณะปัจจุบันเห็นอันนี้แล้วปล่อยผ่านแล้วรู้วันนี้แล้วปล่อยผ่านแล้วรู้อันนี้เกิดขึ้นในใจปล่อยผ่านแล้วรู้วันนี้เกิดขึ้นในใจปล่อยผ่านรู้อันนี้เกิดขึ้นในใจปล่อยผ่านท่านสามารถทําได้ทุกเสี้ยววินาทีเลยทุกขณะปัจจุบันท่านบอกได้หมดแล้วปล่อยผ่านหมดปดิน ไปจับไปยึดอะไรไปเลยแต่ท่านรายงานตามความเป็นจริงได้หมดเลยทุกขณะปัจจุบันว่ามีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์มีสภาวะอะไรมีสภาวะอะไรต่างๆเกิดขึ้นในใจของท่านในทุกขณะปัจจุบันในเสี้ยววินจฉ์นี้เสียววินิจฉนี้เสียววินิจนี้เสียววินนี้เสีวสวินนี้แต่แต่แค่เรียนรู้ทําความเข้าใจเรียนรู้ทําความเข้าใจทุกขณะปัจจุบันแต่ไม่จับไม่ยึดอะไรไปเลยทุกอ่านแล้วก็ทําวิญยียผลได้ผลทุกขณะปัจจุบันอย่างนี้เรื่อยไปถ้าท่านทําอย่างนี้นะ นี่เนี่ยทาจะบรรลุพระิาพานไม่ต้องไปเรียนนอกอย่างนั้นเลยธรรมะไม่ต้องไปเรียนถึงมหาป ร, ริญญาสูงส่งอย่างนั้นไม่ต้องไปเรียนวิทยาพิสตร์ขนาดนั้นไม่เรียนเรียนด็อกเตอร์วิทยาศาสตร์นาสูงขนาดนั้นเลยถ้าท่านรู้ใจของตนเองนี่รู้หมดเลยข้างนอกแต่ไม่รู้จิตใจของตัวเองก็เสียท่าแล้วอืตีลุปูดูนาโตโรว่าธรรมะทั้งหมดเนี่ยที่พระเจ้าสอนทั้งหมดเนี่ยอยากจะรู้ว่าอยากจะรู้ธรรมเนี่ยคนเอาที่จิตเนี่ยเนี่ย ธรรมะทั้งหมดนแปดมื่นสี่พันธรรมะทั้งหม ด, หมดแน่อยู่ในจิตนี่แนะอยากจะรู้ธรรมกบคนเอาในจิตนี่แน่แต่ไปรู้นอกว่าก็เลยไม่พ้นทุกสติแต่ละคนก็ไม่พ้นทุกเป็นเราต้องสำรวจตัวเรานะตัวที่ผ่านมาเป็นนี้เปล่าแล้วรู้แต่ข้างนอกแต่เราไม่รู้ใจตนเองทุกขณะปัจจุบนันสติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจละที่ใจไปวางที่ใจ สติอยู่ที่ไหนความรู้อยู่ที่นั่นความรู้ยไหนสติอยู่ที่นั่นสติกับความรู้มันอยู่ด้วยกันสติถ้ามาตั้งที่ใจมันก็รู้ที่ใจรับที่ใจปล่อยวางที่ใจมันไม่รู้ที่ใจซะนะกไม่รู้ที่คนอื่นรู้ที่คนโน้นรู้คนนี้มันรู้สารพัดไปหมดอะแต่มันไม่รู้ที่ใจตนเองรับที่ใจรู้ที่ใจลัที่ใจปล่อยวางทุกขณะปัจจุบันอันแน่ธรรมมันจะมีแค่นี้เองปัจจุบันธรรมนี่ธรรมเนี่ยมีปัจจุบันเท่านั้นแหละรู้จักปัจจุบันแล้วไม่มีอะไรเป็นธรรมเนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ว่าหลายท่าน อดีตเป็นธรรมเมาอนาคตเป็นธรรมเมารู้ปัจจุบันละปัจจุบันเนี่ยจิตจะเป็นธรรมะธรรมโมไม่รู้ปัจจุบันละปัจจุบันไม่มีอะไรเป็นธรรมเลยธรรมะไม่มีอย่างอื่นนอกจากนี้มีแตร่รู้ปัจจุบันละปัจจุบนันอย่างอื่นไม่ใช่ธรรมจะเราจะไปเรียนออกจากที่ไหนอ่ะไปเดียนตามตำราไปเรียนจากข้างนอกมันเป็นธรรมที่ไหนอ่ะ มันต้องรูป้ปัจจุบันละปัจจุบันรู้ปัจจุบันระปัจจุบัรู้เนี่ยรู้ที่ในะจตนเองอ่งใจตนเองไปเกาะเกี่ยวยึดถืออะไ ร, ะรอ่ะอยู่ไม่เกาะเกี่ยวยึดถืออะไรถ้าใจตนเองสิ้นการเกาะเกี่ยวยึดถือทั้งหมดแล้วมันก็สิ้นกิเลสและสิ้นความทุกข์นนี่แนหะละเขาเรียกว่าพันิพภานพันิพภานแล้จะเป็นเมืองหรือเป็นสภาวะอะไรหรอไม่มีสภาวะอะไรเลยมีแต่เมืนน่อขณะใจสิ้นการเกาะเกี่ยวยึดถืออะไรทั้งหมด ไม่เอาอะไรเลยทั้งหมดเลยได้แต่รับรู้รับทราบรับรู้ ร, ร, รับทราบทุกขณะปัจจุบนันปล่อยผ่านไปปล่อยผ่านไ ป, ไปนั่นแหละคือพระนิพพานพระนิพพานไม่ได้ไปเป็นเมืองหรือเป็นสภาวะหรือมันมันว่างหรือมันสว่างหรือมันอะไรก็ที่จะสแสวงหาอะไรไม่มีหลักนี้แต่รู้ปัจจุบนันรู้ปัจจุบนันมันมีแค่นี้แน่สิน้นภูยึดมันก็สิ้นกิเลสสิ้นทุกเขาเรียกว่าบรรลุพระนิพพานอรูบาจารย์ท่านว่าอย่างนี้ แ้วถ้าก็ปฏิบัติก็เป็นอย่างนี้จริงๆเป็นทันสิ้นผู้ยึดแต่แต่รับรู้รับทราบจิตใจของท่านทุกขณาปัจจุบนันสิ้นผู้ยึดแล้วใจของท่านไม่ไปยึดก็เกี่ยวโงความะอะไรสภาวะจิตไม่ว่าจะดีเลื่อนประเสริฐไหนถ้าก็ไม่เข้าไปยึดสภาวะจิตมันแย่มันไม่ดีไม่เลื่อนยังไงถ้าก็ไม่เข้าไปาที่หล่นผับใส่ท่านสักแต่ว่ารู้มันตามความเป็นจริงทุกขณาปัจจุบนันถ้าเก็เลยบรรลุวินิจพัน เนี่ยอ๋อยังไงถามขึ้นตรงสายไหมอาจารย์นอดกลับไปจะต้องไม่หเหนื่อยสะเพริญนะเราเห็นอาจารย์นัดเดินเดินเ ด, นเ ด, นเดนขึ้นขึ้นภูเขาแล้วก็ลงมาข้างล่างเดินเดินขึ้นภูเขาแล้วก็ลงมาข้างล่างแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็กลับมาเดินใหม่แล้วก็ขึน้นไ ป, นนไปถ้าเหมือนของเล่นเด็กๆ เ, เ, เล่นๆขึ้นๆลงๆขึ้นๆลงๆขึ้นๆลง ๆ, ๆ, ๆ, ๆจริงเลยแหละค่ะสงสายเพราะว่ายอย่างตัวหนูเองที่เห็นตัวเองก็คือเห็นว่า โมหะเยอะจริงๆเลยค่ะอย่างเวลานั่งสมาธินี่ยแค่ลมหายใจเข้าแค่เนี้ยค่ะมันก็ติดลมหายใจเข้าไปแล้วี่เห็นเลยว่ามันตามเข้าไปเรียบร้อยแล้วอ่ะแล้วก็ไปเพลินอยู่กับลมหายใจแล้วอะค่ะนั่นแหละก็มารู้อยู่กับรู้อยู่กับรู้สอบกับรู้นะไม่เข้าไปติดอะไรนะเอามายเอาใหม่นะจะนอดรู้แล้วอะไรแล้วก็เรียนรู้หมดแล้วท่องความเข้าใจมาหมดแล้วชัดเจนในจิตแล้ว ติดก็ต้องละเลยนะติดอะไรก็ต้องละให้กลับมาอยู่กับรู้เดี๋ยไปอยู่กับสิ่งที่ถูกรูอาการทุกอาการสภาวะทุกสภาะแม้แต่ลมหายใจเป็นสิ่งทีถูกรู้อาการทุกอาการสภาวะทุกสภาวะแม้แต่ลมหายใจเป็นสิ่งที่ถูกรู้ลูกเป็นสิ่งที่ถูกรูเสียงเป็นสิ่งที่ถูกรู้กลิ่นเป็นสิ่งที่ถูกรู้รสเป็นสิ่งที่ถูกรู้สิ่งที่บาดสะพัดกายเป็นสิ่งที่ถูกรู้ลมหายใจเป็นสิ่งที่ถูกรู้อาการทางจิตทุกเรนิตเป็นสิ่งที่ถูกรู้ไม่ว่ามันจะว่างโล่งสบายก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้ไม่ว ความคิดก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้อารมณ์ก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้อย่าไปอยู่กับสิ่งที่ถูกรู้ให้อยู่กับรู้อยู่กับรู้คือสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่ารู้เรื่อยไปทุกขณะปัจจุบันนั่นแหละเรียกว่าอยู่กับรู้หรืออยู่กับผู้รู้ผู้รู้คือมันรู้อะไรแล้วไม่ยึดอะไรสักอย่างนั่นแหละคือมันเป็นธาตุรู้ธาตุรู้ซึ่งไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรเลยมีแต่รู้เท่านั้นนั่นแหละอยู่กับผู้รู้สักแต่ว่ารู้นั่นแหละเนี่ยครูบาอาจารย์ทั้งหลายเวลาเขาไปถามท่านผู้ดูููนัััตโลออออยย่่กกบบบะะไไรรรค อยู่กับรู้เนี่ยประวานตือหลวงปู่ลีมาที่นี่หลวงปู่ลีตาจานังกะโลมาที่นี่เจ้าว่าท่านถามว่าหลวงปู่โอ้โหใสามากเลยมองทะลุหมดเลยมองหลวงปู่เข้าไปมันทะลุไปหมดเลยใสายมากเลยหลวงปู่มีอะไรเป็นเครื่องอยู่เป็นวิหารธรรมอยู่กับผู้รู้อยู่กับผู้รู้อยู่กับผู้รู้หมายถึงว่าธาตุรู้เนี่ย เขาไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรเลยมีอย่างเดียวคือรู้ตัวตนเขาไม่มีกิริยาการที่รู้เขาก็ไม่มีไม่มีกิริยาการด้วยนะมีแต่รู้หรือสักแต่วรู้ถ้าเรารู้อะไรแล้วสักแต่วรู้นั่นแหะอยู่กับผู้รู้ขอบคุณค่ะหลวงตาหมายหมายก้อน มีบางท่านบอกว่าผู้รู้นี่คือจิตถูกต้องหรือเปล่าคะถ้าพูดถึงจิตเนี่ยสมายถึงจิตจิตมันมีจิตที่ปรุงแต่งกับจิตที่เป็นผู้รู้มันเป็นชื่อสมมุติจะเรียกอะไรก็ได้จะไม่ได้จิตเหมือนกันมันก็เลยงงๆจิตเออจิตแต่จิตเราต้องพูดว่าจิตปรุงแต่งหรือจิตผู้รู้เหรอถ้าจิตปรุงแต่มันก็คือจิตที่มันมีความรู้สึกึคิดอารมณ์ได้เนี่ยก็เรียกจิต แต่บางทีเขาก็เรียกกิริยาของจิตหรือก็เรียกว่าอาการของจิตไอ้ที่มันจิตที่ปรุงแต่งนะที่มีความรู้สึกมันคิดอารมณ์อ่ะบางทีเขาก็เรียกว่ากิริยาการของจิตแล้วก็อาการของจิตส่วนผู้รู้เขาเรียกว่าจิตหรือจิตตั้งเดิมแต่แทหรือจิตเดิมแต่แทเพื่อเขาให้ให้มันแตกต่างไปจากจิตหรือจิตที่เฉยมันก็งงเลยเขาเรียกว่าจิตเดิมแต่แทหรือจิตตั้งเดิมแต่แทมันได้มันเป็นแต่รู้ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรเลยแล้วไม่มีกิริยาการรู้ด้วย ไม่แต่รู้ก็เหมือนตาเห็นรูปเนี่ยพอมีรูปมาตาก็เห็นเลยไม่มีไม่มีใครไปจ้องดูรูปหรอกไม่มีตัวผู้จ้องดูรูปไม่มีตัวพยายามดูรูปไม่มีจงใจจะไปดูรูปคือรูปผ่านมาตาก็เห็นเลยเนี่ยเป็นการรู้ตามธรรมชาติเพราะมีกิยาการของจิตโผล่มาไ อ, ไอจิตหรือใจหรือธาตุรู้เนี่ยมันก็รู้ขึ้นมาเลยมันไม่ใช่ว่าต้องไปคอยตั้งรู้ยังใจรู้เจตนารู้พยายามรู้อะไรหรอกมันคือรู้มันรู้ไเลยขึ้นมาตามธรรมชาติมาตาเห็นรูปเนี่ยพอมีรูปผ่านมาปุ๊บตาไดเห็นเลย ผมมีเสียงพ่หูก็ได้ยินเลยมันได้ยินขึ้นมาโดยไม่ต้องจงใจรู้ตรงใจได้ยินตั้งใจได้ยินพยายามได้ยินแต่เวลาพอจะรู้จิตมันทําผิดหมดเลยมันพยายามจะดูจิตพยายามจะรู้จิตพยายามไล่รู้จิตพยายามจะไล่ดับจิตอะไรมันผิดธรรมชาติมันแค่สับแต่ว่ารู้ตามธรรมชาติก็จะเป็นนิพพานท่านคือรู้จิตเนี่ยบรรดาเห็นรูปมันหูได้ยินเสียงเนี่ยแบบเดียวกันรู้จิตเนี่ยหรือรู้กิริยาการของจิตเนี่ย เป็นการรู้เช่นเดียวกับตาเห็นรูปหรือตารู้รูปหูรู้เสียงแล้วก็ใจรู้จิตที่มันแสดงกิริยาการเนี่ยมันเป็นรู้แบบเดียวกันไม่ใช่ว่าเพอตาเห็นรูปมันจะต้องไปตั้งใจจงใจเพ่งรูปมันถึงจะเห็นรูปได้ไม่เห็นต้องไปจังต้องตั้งใจต้องเพ่งต้องพยายามจะเห็นรูปเลยรูปผ่านมากม็เห็นแล้วมีรูปผ่านมาก็มองเห็นแล้วเสียงเหมือนกั น, นเหมือนต้องต้องไปตั้งใจจงใจพยายามจะได้ยินเสียง พอเสียงเกิดขึ้นปุ๊บมันก็ได้ยินเลยพอมันมีกิริยาการอะไรเกิดขึ้นในใจมันก็รู้เลยอ่ะถ้าเราไม่ขาดสติเหมื่อเพินไปกับอะไรมันก็จะรู้ตลอดเวลาเนี่ยว่ามันมีกิริยาการอะไรเกิดขึ้นในในใจแล้วกระดับไปเกิดขึ้นแล้วกระดับไปเหมือนกับเราเราโยกกระดาษที่จู่ขึ้นไปในอากาศเนี่ยเหมือนกับเราโยกกระดาษที่ชชู่ก้อนกระดาษที่จู่ขึ้นไปในอากาศเนี่ยมันเกิดขึ้นเองดับไปเองกิริยาการของจิตเนี่ยเกิดขึ้นเองดับเองเกิดขึ้นเองดับเองเกิดขึ้นเองดับเองเกิดขึ้นเองแล้วดับไปเองไม่ีานเเลลยยแ้ว การรู้กิริยาการในใจอมันก็เหมือนกับ iya, เนี่ยตาของพวกท่านเนี่ยมองเห็นก้อนกระดาษทิชชู่ที่เราโยนขึ้นอากาศแล้วก็โดนเองโยนขึ้นาอากาศแล้วก็หล่นมาเองก็เนี่ยก้อนกระดาษทิชชู่เนี่ยมันโย Ж นขึ้นกาอากาศแล้วแล้วก็หล่นมาเองโยนขึ้นกาอากาศแล้วก็หล่นมาเองถ้าเราเปรียบก้อนกระดาษทิชชู่เนี่ยเหมือนกับกิริยาการของจิตมันก็แบบเดีย ว, วกันเกิดขึ้นมาเองแล้วก็ดับไปเองเกิดขึ้นมาเองแล้วก็ดับไปเองท่านสังเกตไหมเวลาท่านเห็นก้อนกระดาษทิชชู่ที่ ที่หลงจ่าโยนขึ้นไปในอากาศแล้วมันก็ร่วงลงมาร่วงลงมาเนี่ยท่านไม่เคยต้องมาเพ่งมาจ้องมันเน้นความรู้สึกดูตั้งใจดูพยายามดูอะไรเลยท่าก็เห็นมาเลยเนี่ยกระดาษมันโยนขึ้นมันก็ล่วงลงกระดาษเนี่ก็กระดาษที่ชั่วมันโยนขึ้นไปในอากาศแล้วก็ร่วงลงโยนขึ้นแล้วก็ร่วงลงท่านก็เห็นมันเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาโดยที่ท่านไม่ต้องตั้งใจดูพยายามดูไปจับไปปล่อยไปจับไปปล่อยไปละไปไล่ดับมันไปทําอะไรสารพัดจะพูดอะไรหมดเลย มันก็แค่เป็นเห็นตามธรรมชาติรู้ธรรมชาติเนี่ยพอมันโยนขึ้นตาก็เห็นแล้วเนี่ยพอมันโยนขึ้นตาก็เห็นแล้วมั้งอะมันไม่จะไปเห็นแล้วไปทำลายไม่ใช่ไปไล่ดับมันไปไล่ขิดมันไปไล่จัดการกับทุกกิริยาการมันดับไปท่าเหลือแต่ความว่างๆมันไม่ใช่มันก็เป็นเพียงแค่รู้ตามธรรมชาติเนี่ยเนี่ยเนี่ยรู้ตามธรรมชาติมันจึงเรียกว่าธรรมชาติเนี่ยธรรมชาติคือรู้เป็นธาตุรู้ตามธรรมชาติคือมันต้องรู้แบบธรรมชาติหลวงตาหมาบัวบรรลุถึงธรรม ธรรมธาตุหรือธรรมชาติธรรมชาติของภาตุ well, รู้คือรู้อย่างธรรมชาติก็อย่างนี้เลยก็เหมือนกับโยนขึ้นแล้วก็านจเห็นเนี่ยพอเราโยนกระดาษที่ชู่ขึ้นท่านจะเห็นท่านเองหลยว่ามันมันมันมันขึ้นแล้วมันก็ลงมาเองมันขึ้นแล้วมันก็ลงมาเองเนี่ยกระดาษที่ชชู่โยนขึ้นไปบนอากาศเนี่ยแล้วมันก็ตกลงมาเองโยนขึ้นอากาศแล้วก็ตกเองโยนขึ้นแล้วก็ตกมเองไม่เห็นก็มาท่านจะต้องมาไล่เพ่งมาไล่ดูไล่รู้ไล่คิด ความคิดไล่ผิดอาการไล่จัดการอาการเนี่ยมันหายไปให้เหลือแต่ความว่างๆก็ไม่เคยเพราะว่ามันเกิดขึ้นแล้วกระดับไปเองเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเองของมันแ่นเราไม่ได้ไปทําอะไรกับมันถ้าเราเปรียบเหมือนในไอ้กระดาษทิชชู่เนี่ยที่โยนขึ้นดับลงโยนขึ้นดับลงเนี่ยมันเหมือนกิริยาอาการเนี่ยมันเกิดกิริยาการของจิตเนี่ยมันก็แบบเดียวกันมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นก็แล้วดับไปการรู้เนี่ยมันก็รู้แบบเดียวกับที่ตาเห็นรูปนี่แหละมันไม่ใช่ว่า ไปจ้องรู้ไปเพ่งรู้ไปพยายามรู้ไปพยายามพอพยายามไล่ดับอเสิ่งที่ถูกรู้อะไรหรอมันก็ได้แต่รู้เนี่ยได้แต่รู้ได้แต่เห็นสัตวร์รู้สัตว์เห็นเนี่ยเขาจึงเรียกว่าธาตุรู้หรือธรรมธาตุหรือนิพานธาตุหรือธรรมชาติของรู้เนี่ยลูกตามหาบัวท่านบรรลุถูงธรรมธาตุท่านพูดอนี้ก็คือธรรมชาติของการรู้อย่างธรรมชาตินี่แน่น รู้ทางตารู้ทางหูรู้ทงางจมูกรู้ทางลิ้นรู้ทางกายรู้ทางใจรู้แบบเดียวกันทั้งหกประตูเนี่ยมันได้แต่รู้สักแต่ว่ารู้ไ ม, ไม่ใช่ว่าต้องไปจัดการกับอะไรแล้วถ้ามันเป็นรู้สักแต่ว่ารู้อย่างเนี้ยมันก็เข้าถึงธรรมชาติหรือธรรมชาติธรรมชาติของการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างเป็นธรรมชาติไม่ใชรู้แล้วไปทําอะไรเนี่ยแล้วหลายคนชอบมาพูดว่าเรู้แล้วต้องไปเป็นอะไรเดี๋ยวรู้แล้วก็ไปได้อะไร ไม่ใช่มันก็คือรู้สำเร็จไปรู้อย่างธรรมชาติรับรู้อย่างธรรมชาติธรรมชาติแค่นี้ไ่